ทรงปลารบพวกภิกษุณีฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัคขีออกปากขอปลามาฉันในปาฏิเทสนิยสิกขาบทที่5นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน4สมุดฐานและ